ขอต้อนรับเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมที่มาจากอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกแล้วก็อาจจะรวมถึงอีกหลายท่านนะที่มาจากกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดพวกเราส่วนใหญ่ก็มากันจากที่ไกลหลายคนในชีวิตนี้อาจจะไม่เคยนอนค้างวัด แล้วก็ยิ่งเป็นวัดป่าด้วยวก็ยิ่ง จ, จะไม่คุ้นนะเวลาพูดถึงวัดหลายคนก็นึกถึงผีไม่ได้นึกถึงพระ น, ะนึกถึงผีเวลาพูดถึงป่าก็นึกถึงสัตว์ร้ายงูเหียวเขี้ยวขอวอันดยเพราะคนจากในเมืองก็มักจะมีความรู้สึกหรือมีภาพอย่างนั้น ก็ให้สบายใจได้ที่นี่วัดป่าสุโกโตนะไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายกับพวกเราไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษภัยกับพวกเราได้ถ้าจะพูดถึงสิ่งที่น่ากลัวแล้วเนี่ยก็มีสิ่งเดียวที่น่ากลัวน่ากลัวที่สุดเลยนะคืออะไรทราบไหม คือใจของเราใจของเรานั่นแหละที่จะน่ากลัวที่สุดเพราะว่าสามารถจะเสกสรรบันดาลให้เห็นสิ่งที่น่ากลัวน่าตื่นตระหนกได้สามารถจะปรุงจากสิ่งที่ไม่มีอะไรให้การเป็นสิ่งที่น่าหวาดผวาได้แม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆ ใจของเรานี่แหละก็สามารถสร้างภาพให้กลายเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวได้บางทีไม่ได้เห็นเองกันนะแค่ได้ยินเท่านั้นแหละก็ปรุงแล้วในป่านี้เนี่ยเวลากลางคืนมันก็จะมีสัตว์ออ ก, ออกหากินสัตว์เล็กสัตว์น้อย และความเยียบสงบในป่าก็อาจจะทำให้เสียงของสัตว์แต่และชนิดเนี่ยมันดังกว่าปกติแต่มันก็จะไม่เท่าไรถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยไม่ไปขยายให้เสียงเหล่านั้นให้มันดังขึ้นและตรงนี้แหละที่มันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว เ, เคยมีหลวงพ่อรูปหนึ่งสมัยที่เราจะไม่มีการแบ่งเป็นเขต อุบาสิ ก, กา <c oughs> ก็ประมาณสัก25้าปีมาแล้วนะอันนี้ท่านก็รอให้ฟังเองตอนนั้นกุฏิท่านก็อยู่ในเขตผู้หญิงนะบริเวณนั้นก็มีกุฏิแค่สองสาหลังเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นสภาพป่าที่ลกทึบนะเพราะว่าเป็นเขตเดียวก็ได้ <c oughs> บริเวณเดียวก็ได้ที่ไม่โดนไฟ มาหลายปีไม่เคยโดนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรกแล้วก็ทึบบางทีก็มีลอยกวางมากินน้ำนะตรงริมริมสระือคือนถึงเนี่ยท่านก็ข้ะที่ท่านใกล้จะจำวัดท่านก็ดึเสียงเหมือนกับสัตว์ใหญนะ่กำลังเดินขึ้นบันไดกุฏิท่าน ท่านก็ตกใจเพราะเสียงมันเนี่ยคล้ายๆเป็นสัตว์ใหญ่ท่านนึกว่ามันเนี่ยมันต้องระดับหมีเลยแหลนะท่านก็เลยทำยังไงนะถ้ามีนี่มันตัวใหญ่นะมันก็ต้องคงเปิดประตูเข้ามาในกุฏนะิเพราะท่านท่านก็เลยเตรียมไม้เตรียมอะไรไว้ ตื่นตนกทีเดียวก็แต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้แต่ว่ามันมีสัตว์ที่ขึ้นมานะถึงระเบียงนะแต่ว่าก็ไม่เข้ามาที่กุฏิแต่ว่าท่านก็เรียกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลยพอตื่นเช้าขึ้นมา ท่านก็ค่อยเปิดประตูก็สังเกตดูเทระเบียงกุฏิแล้วก็ที่บันไดก็ไม่มีอะไรแต่สังเกตว่ามีสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือสบู่สบู่ที่วางไว้ตรงระเบียงแล้วก็พอท่านลงไปไปเตรียมบินทบาทก็ไปพบนะอ่าสบู่มันตกอยู่ ตรงพื้นนะใกล้ๆ ก, กับบริเวณที่เป็นป่าแล้วมันมีรอยกัดอะไรกัดรู้ไหมหนูกัดก็กลายเป็นว่าสัตว์ตัวที่ขึ้นมากุฏิท่านน้ไม่ใช่มีอะนะหนูหนูกับมีนี่ไซมันคนละคนละเรื่องเลยนะ แต่ว่าท่านเนี่ยสามารถจะปรุงจากเสียงหนูให้กลายเป็นเสียงหมีได้อันนี้มันเป็นเพราะใจเราแท้ๆมันพอใจเรากลัวแล้วเนี่ยมันก็จะขยายอะไรที่เกินจริงสามารถจะโดยเพราะถ้าเรากลัวเนี่ยสามารถจะเห็นหมูเห็นมดเป็นช้างเห็นกวางเป็นเสือได้มันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยป่านิ่งจริงแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะมีสิ่งเดียวที่น่ากลัวคือใจของเราโดยเพราะใจที่ไม่มีสติใจที่ไม่มีการรู้เท่าทันน้องก็ปล่อยให้ความกลัวความโกรธหรือว่าความเกลียดเข้ามาครอบงาได้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอะไรอะไรที่เลวร้ายก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นนะงนั้ น, น, นพวกเราที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะก็ให้ระลึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะไม่ใช่ สิ่งอื่นที่อยู่รอบตัวเรานะถึงแม้ว่ามันจะมีงูมีสัตว์ร้ายมีแมงป่องมีตะขาบนะแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับจิตใจของเราเพราะว่าจงอางก็ดีงูเห่าก็ดีพวกนี้มันก็โผล่มานานนานทนะีบางทีอยู่เป็นเดือนไม่เจอแล้วก็มีตะขาบแมงป่องก็เหมือนกัน ถาว่ามีไม่มีแต่มันก็ไม่ได้โผล่ไม่ให้เราเห็นบ่อยแต่ว่าสิ่งที่คอยรบกวนแล้วก็อาจจะสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่ตลอดเวลาก็คือใจนี้เองใจเราโดยเพราะใจที่ไม่ได้รับการฝึกฝนนะใจที่เป็นจิตอันธพาลนะเป็นใจที่เกเรนะนะตรงนี้แหละที่น่ากลัว แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าใจของเรามันจะแย่ไปเสียหมดนะใจเรานี่ก็จะว่าไปแล้วก็เป็นมิตรที่ดีที่สุดของเราในด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวขนาดที่สามารถทาให้เราทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายได้แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนวะใจของเราก็เป็นมิตรที่ดีที่สุด แม้ว่าคนทั้งโลกอาจจะประนามยามเหยียดเราแต่ถ้าเรามีใจเป็นมิตรแล้วก็สามารถจะเป็นปกติหรืออยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยซ้ำแม้จะถูกจับกลุมคุมขังนะอยู่ในที่แคบนะก็ยังมีความสุขอยู่ได้ ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่รู้สึกหวั่นหวาดอะไรเลยจงกระทั่งแม้จะถูกแม้จะประสบโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงเพียงใดแต่ใจที่เป็นมิตรนี้แหละสามารถจะทำให้เราอยู่ได้อย่างเป็นปกติมันทุกข์ ก็ทุกข์แค่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราหวั่นไหวได้ด้วยใจที่ฝึกไว้ดีแล้วอย่างที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยนะแม้โลกธรรมนะจะมาต้องจะมาสัมผัสแต่จิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกสามารถที่จะ ยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้แต่ใจที่เป็นมิตรที่สุดที่ดีที่สุดของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองนะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนหรือจะพูอ่อียานนั่นคือเป็นสิ่งที่เราต้องหาให้เจอต้องค้นให้เจอแล้วบางทีเราเดินทางมาไกลๆเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเนี่ย หลายคนอาจจะบอกว่ามันไกลทำไมไม่ไ ม, ไม่ไปวัดใกล้ๆนะที่จริงสองสามร้อยกิโลเมตรก็ไม่ไกลถ้าหากว่าเป็นการมาเพื่อค้นพบตัวเองเพื่อมารู้จักมิตรที่ดีที่สุดของเรานะเป็นเพราะว่าเราละเลยนะใจของเราเอง มิตที่ดีที่สุดก็เลยกลายเป็นศัตรูได้ง่ายๆสามารถทาให้เราล้มป่วยทำให้เราเครียดทาให้เรากังวลทำให้เราเป็นบ้าก็ได้นะทั้งหมดที่เพราะเราไม่เคยใส่ใจตัวเองคือไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้เนะพราะเราชอบมองหรือเพ่งโทษไปที่ข้างนอก ไปจดจออยู่กับสิกนอกตัวมาพูดถึงความบ้านี่ก็มันก็มีเรื่องเล่านะในโรงพยาบาลบ้าถ้ามีหมอคนหนึ่งนะก็ไปเยี่ยมคนไข้าตาปกติเพ่อในห้องนั้นเนี่ยมันมีอยู่คนคนไข้ยอยู่สองคนนะก็ถามก็เห็นคนหมอเห็นคนไข้คนที่หนึ่งกำลังทำท่าเหมือนเรื่อยไม้ ก็ถามว่าทำอะไรอยู่คนไข้คนที่หนึ่งก็บอกว่าหมอไม่เห็นหรือว่าผมกำลังเลื่อยไม้อยู่ัแต่มือแกไม่มีอะไรเลยนะก็มีแต่ทำท่ายึกยักยึกยักมองไปเห็นคนไข้คนที่สองยืนอยู่บนเลืกแขวนตัวเองอยู่บนอยู่บนผนังอยู่บนเพดานแขวนตัวอยู่บนเพดานหมอก็ถามคนไข้คนที่หนึ่งว่า นั่นเขาทําอะไรอ่ะคนไข้คนที่หนึ่งก็บอกว่าอ๋อไอ้นั่นมปนเพื่อนผมเองมันบ้ามันนึกว่ามันเป็นหลอดไฟนะมอก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่ารอบดูสักพักก็ <ๆ S 2> เห็นว่าคนไข้คนที่สองที่ที่ยืนห้อยหัวมันเนี่ยหน้าเขาแดงกำ่ำแล้วนะก็เลยบอ ก, บอกคนไข้คนที่หนึ่งว่า นยะคุณต้องช่วยเขาเอาลงมาแล้วละ่ะเพราะว่าเขาคงจะไม่ไหวแล้วล่ะนะคนไข้คนที่หนึ่งก็บอกว่าจะเอาลงมาได้ยังไงคืนเอาลงมามันก็มืดเดยแล้วผมจะเลื่อยไม้ได้ยังไงนะเรื่องนี้ก็จบนะอย่างนี้เป็นคขำขันที่เขาต้องการบอกว่านะคนบ้าเนี่ยนะไม่ค่อยรู้หรอกว่าตัวเองนี่บ้า แต่รู้ว่าคนอื่นอ่ะบ้าคนคข้หมายเล็กหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปพูดว่าเนี่ยเพื่อนเขาบ้าก็พูดเหมือนกับว่าเขาเองไม่บ้าแต่ที่จริงเขาเองก็บ้าด้วยนะเพราะไปดันไปคิดว่าเพื่อนของเขาเนี่เป็นหลอดไฟจริงๆถ้าเอาลงมาแล้วมันจะมืดนะเลื่อเลือยไม้ไม่ได้เรื่องนี้เขาไม่ได้จริงๆแล้วเขาไม่ได้สะท้อนถึงคนบ้าอย่างเดียวนะเขาต้องการสะท้อนให้เห็นถึง มนุษย์เราด้วยเหมือนกันนะถ้ามองให้ดีก็คือว่าคนเราเนี่ยมักจะเห็นคนอื่นได้ชัดแต่ว่ามองไม่เห็นตัวเองเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่คนบ้าเท่านั้นที่เห็นคนอื่นว่าบ้าแต่ไม่นึกว่าตัวเองจะบ้าแต่คนทั่วไปก็เหมือนกันเราเห็นคนอื่นโกรธเนี่ยเราเห็นชัดเลยแต่เวลาเราโกรธเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นตัวเองเท่าไหร่ เวลาเห็นคนอื่นผิดพลาดนี่เราเห็นชัดเลยแต่เราไม่ค่อยเห็นความผิดพลาดงตัวเองใครขี้คุยเราก็เห็นชัดนะแต่เรามองไม่ไม่รู้ตัวว่าเรานี่ก็ขี้คุยเหมือนกันนะอันนี้เพราะอะไรเพราะเราเนี่ยนักจะชอบมองไปที่ข้างนอกเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกอันนี้เป็นภาษาในวงการนะส่งจิตออกนอกจนลืมมองตัวเองไป และการที่เราลืมมองตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ไม่รู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจของตัวและการที่ไม่รู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็ทาให้เรากลายเป็นทาสของอารมณ์นะไม่ใช่ทาสของอารมณ์อย่างเดียวอาจจะเป็นทาสของความคิดถ้านั้นที่ความคิดนี้เราเจตนาคิดขึ้นมาปรุงขึ้นมา แต่พอเราคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราหยุดไม่ได้เราคิดเก่งคิดได้เร็วแต่ว่าหยุดความ ค, คิดของตัวเองไม่ได้ความคิดมันก็เลยเล่นงานเราจนนอนไม่หลับก็มีมนะหรือว่าอย่างหลวงพ่อคนที่ว่าเนี่ยท่านก็คิดของท่านเองแท้ๆว่ามี ขึ้นมาแล้วท่านก็เชื่อเองว่าเป็นหมีคือความสงสัยว่าเป็นหมีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าถ้าหลงเชื่อเมื่อไหร่คือไปยึดติดมันเมื่อไหร่ก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวก็กลายเป็นธาตุของความคิดที่ตัวองปรุงขึ้นม า, านแล้วคนเรานี่เป็นธาตุของความคิดที่ตัวเองปรุงขึ้นมานะบ่อยเป็นนะทีแรกเราปรุงมัน แต่ต่อมามันปรุงเรานะเราปรุงว่านี่หมีนะแต่พอคิดว่าเป็นหมีแล้วเชื่อว่าเป็นหมีจริงๆนี่เอาละมันปรุงเราแล้วต้องหามีดถามไม้มาแล้วนะแล้วก็เลยเป็นเลยนอนไม่หลับเลยนี่รู้ว่าความคิดมันปรุงเรานะมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละทีแรกเราปรุงความคิดแล้วต่อมาความคิดก็ปรุงเราเรากลายเป็น ธาตุของมันพูง้ง่ายๆและคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะว่าตัวเองเป็นธาตุความคิดที่ตัวเองปรุงขึ้นมาทีแรกความคิดเป็นของเราแต่ต่อมาเราเป็นของความคิดนะคือทันทีที่เราเป็นธาตุของความคิดก็แสดงว่าเราเป็นของมันไปแล้วนะเวลาเราเห็นใครทําท่าเหมือนจะนินทา ซุปซิปนินทาเราก็คิดว่าเขากําลังนินทาเราเพราะว่าเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเขาก็เลิกคุยกันเราก็ปรุงขึ้นมาเลยว่าเนี่ยเขากําลังนินทาเราแล้วพอเราคิดเช่นนั้นเวลาเขาทําอะไรสองคนนั้นทําอะไรเราก็รู้สึกว่าเขากําลังนะจะนินทาเราต่อหรือว่ามีอคติกับเรา ไอความคิดที่ว่าเขานินทาเรามันก็ไปปรุงให้เรามองเขาไปในแง่ร้ายนะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกไม่ดีกับเขาเขาก็เลยรับรู้ความรู้สึกไม่ดีของเราเขาก็เลยมีความรู้สึกเหินห่างหรือว่ามีอาการบึ้ตึงกับเรามันก็เลยไปกันใหญ่ทั้งหมดนี้ก็อา จ, จะเริ่มต้นจากความคิดที่ว่าเขากำลังนินทาเรา นะความคิดเหล่านี้เนี่ยนะเราต้องรู้เท่าทันเพราะว่ามันเป็นแค่ความคิดที่เรานึกขึ้นมาอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่นะหรือเราไม่รู้ทันมันไม่ใช่ความคิดของเราแล้วเราเป็นของมันไปนะและสุดท้ายเนี่ยมันก็ครอบงมจนกระทั่ง เราไม่สามารถจะเป็นอิสระจากมันได้มีแม่ของเพื่อนคนหนึ่งนะแกก็เป็นเศรษฐีให้เงินกู้แล้วแกก็ค่อนข้างจะตนีทีเหนียวนะใครยืมเงินไปแกก็จดจำนะและ้วก็ไม่ลืมในต่อมาแกก็เป็นอัลไซเมอร์ แปปีเกือบ90ก็เป็นอัลไซเมอร์จำลูกไม่ได้จำหลานไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่จำแกจำได้คือไอสมุดบันทึกนะที่แกจดเอาไว้ว่าใครเป็นนี้แกบ้างสมุดที่แกจดว่าแกมีหุ้นที่ไหนบ้างแล้วทุกวันแกก็จะเปิดเอาสมุดเล่มนี้มาเปิดคลิกดนะูลูกมาถามหลานมาถามจําไม่ไดนะ้แต่ว่าแก จำไอ้สมุดเล่มนี้ได้แล้วก็เปิดอยู่นั่นแหละใครจะมาชวนใส่บาตรใครจะมาชวนทำบุญแกไม่สนใจนะจะมาสวดมนต์อะไรให้แกแกก็ไม่สนใจนะทนที่แกกำลังจะตายอยู่แล้วแทนที่จะนึกถึงอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ใจมันนึกออกจากกรอบของเงินทองทรัพย์สมบัติไม่ได้เลยเหมือนกับว่าแกตกเป็นท่าของเงินทองทรัพย์สมบัติ ที่แกนวดเป็นของแกแต่ไปประมาณแกกลายเป็นของมันไปแล้ว <_ t ot _> เงินทองไม่ใช่ของแกนะแต่แกเป็นของมันนะ <_ t ot _> เพราะว่าแกไม่สามารถจะคิดอะไรนอกจากเรื่องทรัพสมบัตินะลืมทุกอย่างแต่ลืมเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ลืมนะแล้ว <_ t ot _> คิดดูว่าคนอย่างนี้จะตายยังมีความสุขได้อย่างไรนะพอแกจะตายก็ยังนึกถึงเงินห่วงเงินนะ มีคนไข้าบางคนตาเคยไปเยี่ยมไปเป็นอาสาสมัครเยี่ยมคนไข้ก็พาอาสาสมัครไปเยี่ยมกันหลายคนหมอบอกว่าเนี่ยคนไข้คนนี้แปลกแกอายุยี่สามเจ็ดสิบกว่านะแกทาท่าจะตายหลายครั้งแล้วหมอก็คิดว่าเนี่ยอาการอย่างเนี้ยดูจากสัญญาณชีพแลรงต่างเนี่ยคิดว่าคงจะอยู่ได้ไม่เกินสองวัน แต่แกก็ผ่านมาได้หมอรู้วคนไข้กำลังจะตายก็เลยบอกว่าให้แกปล่อยวางพู้เรื่องรู้เรื่องหลายแกก็ไม่ว่าอะไรนะคือแกก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วแต่พอพูดเรื่องเงินทองให้ปล่อยวางนี่แกหน้านี่คือวขมวดนะอาตมาก็เลยไปเยี่ยมแกในวันรุ่งขึ้นนั่แกก็กระสับกระส่าย แล้วก็หมอก็เล่าว่าเนี่ยพึ่งมีวันนี้พึ่งมีเมื่อเช้านี้พึ่งมียาดพึ่งมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเพื่อนบ้านนี้ตื่นนะมาเยี่ยมด้วยความตื่นถามว่าทําไมเหรอเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นแก่เห็นแก่ไปทวงเงินกลางวันแสกๆเลยนึกว่าตายแล้วเพื่อนบ้านคนนี้ยืมเงินแกแล้วคงไม่ได้คืน มาเป็นปีแล้วมัง้งเห็นแกมาทวงหรือว่าแกตายแกยังไม่ตายนะแต่ว่าจิตแกส่งออกไปแล้วไปทวงเงินให้แบบนี้เจอบ่อยนะประเภทไม่ตายเนี่ยแต่ว่าไปไปโผล่ที่โนนที่นี่หรือไปเห็นอะไรเข้าเห็นโนวนเห็นนี่ก็แปลกมากแสดงว่าแกนี่ก็ยังยังมีความห่วงอะไรอยู่เรื่องเงินก็เงินไม่กี่ร้อยให้เห็นหมว่า ทีแรกเนี่ยเงินเป็นของฉันแต่พอย่บเป็นเงินของฉันเข้าฉันกลายเป็นของเงินไปนเลยจะ ต, ตายแล้วยังยังไม่สามารถจะปล่อยวางให้เงินไม่กี่ร้อยได้นะมันกลายเป็นสิ่งที่มาครอบอทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องของความคิดที่เราปรุงขึ้นมาแล้วมันก็มาปรุงเราแล้วมันก็มาครอบเราอีกทีว่าพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ มีการศึกษาสูงเนี่ยเราถูกฝึกมาให้คิดเก่งคิดเร็วชาวบ้านนี่คิดทนสู้เราไม่ได้พวกเราอาจจะจับจอบจับเสียมได้ไ ม, ไม่ไม่ทนเท่าชาวบ้านแต่ถ้าจะให้คิดเนี่ยชาวบ้านคิดไม่ทนเท่าเราให้อ่านหนังสือสักสิบนาทีเขาก็เหนื่อยสมองแล้วให้คิดสักครึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่คิดละมันเหนื่อยแต่เราเนี่ยคิดได้เป็นชั่วโมงคิดได้เป็นวัน แต่เราหยุดคิดไม่ได้นะแล้วเราต้องรู้จักวิธีที่จะหยุดคิดได้ให้ความคิดมันให้เราเป็นนายความคิดบ้างไม่ใช่ให้ความคิดเป็นนายเราคอยสั่งให้เราคิดโน่นคิดนี่จนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เพื่ออันนี้นะเพื่อที่ให้เราจะได้รู้จั ก, จกนะปล่อยวางจากความคิดได้แล้วเราจะปล่อยวางจากความคิดได้อย่างไร ก็คือการที่เรามีสติการรู้ใจของตัวเองปล่อยวางความคิดในที่นี้หมคําว่าถึงเวลาจะวางก็วางได้ถึงเวลาจะนอนก็นอนได้ถึงเวลาจะกินก็วางความคิดได้ถึงเวลาจะทำงานก็วางเรื่องปัญหาเรื่องที่บ้านได้นะไม่ใช่ว่าเอาเรื่องที่บ้านเอาเรื่องสารพัด ต, ต่างๆมาผสมปนเปนในขณะที่ทำงานแล้วมันจะทำงานได้อย่างไร ถึงเวลาขับรถก็วางเรื่องอื่นได้ขับรถอย่างมีสติมีสมาธิอันนี้กเกิดจะจะเป็นไปได้เกิดจากการที่เรารู้จักตัวเองเท่าทันตัวเองนะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความรู้สึกนึกคิดของตัวเท่าไหร่เราอาจจะสนใจเรื่องร่างกาย นะดูหน้าแต่งหน้าให้เวลากับร่างกายชำระร่างกายสารพัดเวลา24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันหมดไปกับเรื่องร่างกายสิเยอะนะตื่นขึ้นมาก็ชำะระล้างหน้าล้างตานะอาบน้าถูฟันถ่ายหนักถ่ายเบาก็เป็นเรื่องร่างกายกินข้าวก็ใช้เวลานะเป็นอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงครชั่วโมง ทำมาหากินก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายมาปนเปรืหาความสะดวกสบายซื้อรถซื้อบ้านซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารการกินก็เรื่องร่างกายนะแม้แต่เวลานอนก็เป็นการนอนพักผ่อนทางกายแต่ใจพักผ่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนก็ใจก็ไม่ได้พักผ่อนเรามีเวลากับร่างกายน้อยเราเรามีเราให้เวลากับเรื่องจิตใจน้อยมาก โดยเพราะการที่จะรู้ทันตัวเองไม่ใช่แค่การปลนเปลอหรือว่าการปล่อยอารมณ์นะไปตามความอยากไปตามความโกรธความเกลียดนั้นถึงเวลาที่เราต้องมามารู้ทันใจของเราหรือพูดอย่างนี้คือการที่เรามารู้จักจิตใจของเรามันก็น่าแปลกนะจิตใจนี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดแต่ว่าเรากลับมองข้ามนะ แต่เราชอบไปมองออกนอกตัวเยอะถ้ามีเรื่องเล่าว่าชายสองคนเนี่ยมาพักอยู่ในโรงตรมเดียวกันคนหนึ่งเป็นเศรษฐีอีกคนหนึ่งนะเป็นหัวขโมยเพลนวันนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยโรงแรมหรือโรงตรมเนี่ยมันแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนั้นก็เลยต้องมาอยู่ในห้องพักเดียวกัน โ ว, วขโมยเนี่ยก็เห็นสารรูปของเศรษฐีแล้วคิดว่าคนนี้ต้องมีเงินก็ออกอุบายนะที่จะหาทางขโมยเงินของเศรษฐีก็วันแรกเลยก็เริ่มแผนการบอกเศรษฐีว่าอาหารเย็นนี่คุณออกไปกินก่อนนะนนผมจะทำธุระที่ห้องน้ำนะ เศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรก็ออกไปกินอาหารนะพอเศรษฐีออกไปหัวขโมยก็รีบออกมาจากห้องน้าแล้วก็รีบค้นหาสมบัติของเศรษฐีดูกระเป๋านะก็ไม่เจอเงินใต้เตียงของเศรษฐีก็ไม่เจอใต้หมอนของเศรษฐีก็ไม่มีเศรษฐีเอาเงินไปที่ไหน หรือว่าเศรษฐีพกเงินไปด้วยวันที่สองก็เบาก็ทําเหมือนเดิมบอสให้เศรษฐีออกไปก่อนไปกินข้าวก่อนที่ผมตามไปผมเข้าห้องน้ําก็สังเกตว่าเศรษฐีก็ไม่ได้ออกเงินไปก็เลยค้นตามตามกระเป๋านะใต้เตียงใต้หมอนของเศรษฐีก็ไม่เจออีกทําอย่างนี้อยู่สามวัน ไม่สามารถที่จะหากระเป๋าเงินหาเงินของเศรษฐีได้ท่านนักที่เศรษฐีเนี่ยก็ไม่ไดเอาเงินไปแน่นอนวันที่สี่เศรษฐีก็จะมีทุนละก็จะจะต้องเดินทางต่อหัวขโมยนี่มันก็มันก็สงสัยมากเลยว่าตกลงเศรษฐีเอาเงินไว้ไหนนะอยากจะรู้จริงๆเพราะว่า ทำอาชีพนี่มันนานเนี่ยไม่เคยพลาดนะสุดท้ายก็เลยสารภาพกับเศรษฐีว่าเนี่ยว่าเป็นหัวขโมยแต่อยากรู้จริงๆว่าเศรษฐีเอาเงินไปซ่อนที่ไหนเรารู้ไหมเศรษฐีเอาเงินไปซ่อนที่ไหนฮะเศรษฐีบอกผมว่าเงินไปซ่อนที่ใต้เตียงอ่ะใต้หมอนของคุณนั่นแหละ ขโมยคนนี้เนี่ยมันค้นหาทุกอย่างที่เป็นของเศถีฐีเตียงเอ้ยหมอนเอ้ยกระเป๋าเอยแต่มันลืมค้นดูใต้เตีย ง, ตยงใต้หมอนของตัวเองเพราะอะไรเพราะมันใกล้ตัวมากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดแล้วมักจะมองข้ามาจริงไหมาบางทีเราก็มองไม่เห็นนะเช่นปลายจมูกเราเนี่ยมองไม่เห็นหรอกมันใกล้เหลือเกินเนี่ยมองมองไม่ค่อยเห็น ยิ่งคิดเราด้วยเนี่ยยิ่งมองไม่เห็นใหญ่สิ่งที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเรามักจะมองข้ามไม่ค่อยใส่ใจเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนในบ้านเรา เ, เราอาจจะเทคแคร์คนคนนอกบ้านคนในที่ทํางานแต่ว่าคนในบ้านเราเราไม่ค่อยสนใจ ยิ่งสามีภรรยาอะไรก็ยิ่งมีเรื่องเราหองราแหงเยอะทั้งนั้นที่เขาอาจจะดีต่อกันแต่ว่าเราก็มักจะมองข้ามแล้วมักจะไปดีออกับคนที่อยู่ไกลคนในเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมงานโ อ, อ้เขาดีกับเราเหลือกเกินนะแต่ว่าคนใกล้นี่เรามักจะมองข้ามมาเห็นคุณค่าเขาก็ต่อเมื่อเขาจากไปแล้วถึงค่อยเห็นแต่ตอนที่อยูอย่กันเราเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันนะอะไรที่อยู่ใกล้ๆเราเราไม่ค่อยสนใจ ยิ่งอยู่ใกล้กับเราอยู่กันเรามานานเนี่ยยิ่งไม่ค่อยสนใจมีพวกเราคงรู้จักแอมสาวรักษ์อาตมาไม่รู้จักนแต่ว่าเขาเล่าประสบการณ์แล้วก็น่าสนใจเพราะว่าวันหนึ่งเขาเจอเพื่อนเพื่อนเพิ่กลับมาจากการปลูกป่านะไปปลูกป่าที่จังหวัดนะหนึ่งในภาคอีสาน กลับมาแล้วก็ปลื้มมากเลยนะได้ปลูกป่านะช่วยลกร้อนช่วยลดโลกร้อนนะช่วย เ, เพิ่มออกซิเจนนะช่วยทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกับพันน า, นาประโยชน์การปลูกป่าว่ามันดีอย่างงินดีอย่างนี้แล้วก็พูดถึงดาบตํำรวจวิชัยนะว่าเขาเนี่ยปลูกป่านะสามปีปลูกทุกวันนะช่วยทําให้ปางกูบุรีรสเกตนี่มันเคี้ยวจะอูไม่หมดนะแอมเขาฟังก็บอกว่าโอ้ เขาก็เลยพูดว่าอืมก็ดีนะที่บ้านเธอนี่คงจะมีต้นไม้เยอะเลยนะพอพูดตรงนี้เพื่อนก็ห่อเหี่ยวเลยบอกโอ้ยใบไม้ร่วงไม่หยุดสักทีกวาไม่ไหวฉันตัดไปเรียบร้อยแล้วรนะักป่าที่อยู่ไกลแต่ว่าเกียดต้นไม้ที่อยู่ใกล้นะยิ่งต้นไม้ไกลบ้านนี้ยิ่งเบื่อครับยิ่งละอา นะลักป่าที่อยู่ไกลเพราะว่าเราแค่ปลูกป่าแล้วก็กลับแต่ว่าต้นไม้ที่บ้านเนี่ยแม้มันจะให้ร่มเงาอย่างไรแต่มันก็ทิ้งใบทิ้งกิ่งเป็นภาระ ก, กับเรานะไม่ค่อยเห็นคุณค่าตอหลัเห็นแต่ว่ามันเป็นปัญหาก็เลยเข้าทำนองว่าลักคนไกลละอาคนใกลนะ้ไม่ใส่ใจสิ่งที่อยู่ใกล้ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของก็ไม่มีอะไรที่ใกล้เรามากที่สุดเท่ากับใจของเราใจนี่เป็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดแล้วเราก็ละเลยมากที่สุดไม่ค่อยดูแลใจใสนะ่ใจของเราก็เลยกลายเป็นใจที่เกเลเยใจที่พยศใจที่เครือไปด้วยนะความความทุกขนะ์ความกังวลอารมณ์หมักหมมต่างๆ ที่สะสมอยู่ในจิตใจมันบูดเน่าไปโดยที่เราไม่ค่อยใส่ใจที่จะสะสางที่จะจัดการเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไปให้ความสนใจกับสิ่งนอกตัวนะทรัพสมบัติเอ่ยงานการเอ่ยผู้คนเอ่ยอันนี้เพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมากลับมาใส่ใจกับสิ่งที่ใกล้ที่สุดก็คือใจ ใจที่มันใกล้แสนใกล้แล้วแต่ว่าไกลแสนไกลคือใจนี่แหละและเพราะว่าเราละเลยก็เลยกลายเป็นกลายเป็นปัญหาที่สามารถกลายเป็นศัตรูอยู่บ่อยครั้งถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรให้กลายเป็นมิตรที่ดีที่สุดให้กลายเป็นมิตรที่เกื้อกูลที่สุดที่เรามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อ ก็เพื่อที่ได้มาพบได้มาเจอมิตรที่ดีที่สุดที่ที่จริงก็ซ่อนอยู่ในในสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะก็คือใจนี่แหละนั่นก็อยากจะให้เราได้ให้ได้ใช้เวลานะในช่วงเจดวันนี้เต็มที่นะกับการที่เราจะได้อ่าได้ค้นพบมิตรที่ดีที่สุดได้มีโอกาสได้ฝึกฝนใจ ใส่ใจกับความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้วิธีที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันปลอดจากอารมณ์ที่หมักหมมนะที่เป็นเป็นพิษเป็นภัยที่สะสมมาช้านานขนาดร่างกายเรายังใส่ใจที่จะเอาสารพิษออกไปนะหาทางที่จะระบายออกไปแต่เราไม่ค่อยสนใจที่จะเอาสารพิษออกไปจากใจเท่าไหร่ นี่เป็นความโกรธความเกลียดความเครียดความแค้นความหมักความกลัดกลุ่มกังว ล, ลทั้งหมดนี้ถึงเวลานะที่หลายต้องอค่อยๆสะสางออกไปโดยสายการเจริญสตินี่แหละเป็นเนครื่องมื อ, อแล้วก็คำนี้ก็พูดกันเท่านี้กราบพระ